นะฮะชอบนะฮะแล้วก็จากที่อาจารย์ประภพัฒพูดถึงเรื่องของท่านหลุงตาสุริยาก็เลยทำให้เกิดความอยากเรียนนะฮะอยากเรียนอยากรู้นะฮะเลยได้ไปปฏิบัติธรรมที่วัดต่ามหาปัญโยเป็นหลานศิษย์ของพระอาจารย์ครั้งแรกจะว่าเล็กครั้งแรกก็ไม่ใช่นะฮะเป็นครั้งที่สองครั้งแรกก็ไปปฏิบัติกบพระที่ชื่อดังเมื่อเร็วๆนี้คือวัดุนนันทาวนารามนะคะ